องตงวัดถ้าคิดอ่านตัสดสเียงตําบญนี้ก็ได้เนี่ยก็จะได้เรียนทำตงโดยง่ายองตงก็ยิงว่าท่านคิดเช่นนี้ป้องกับความคิดของเราแล้วแต่ทั้งสองก็กระซิบให้สัญญาณแก่กัมหละก็่าจะทำให้คนอุบายทัดประการหนึ่งครั้แล้วก็กลับมาค่ายเนียนนังก็จับกแยงทหารไปทําตามคําสั่งของหงตก อุบายวิธีการเป็นอย่างไรนั้นอันางนี่แกงล่ะพฤิกรรมฝ่ายฮองตงเมื่อคิดการไปเยนินยหนังไปดำเนิการเรื่องก็ได้รู้ว่าแฮรนวทรงกับฮันโฮโยกมาฮองตงก็ขุมหานออกไปนอกค่ายฮันโหเห็นฮองตงออกมาฮันโหก็ขับมาขึ้นมาหน้าฐานทั้งปวงทีเดียวร้องด่าฮองตงเป็นค้อหยาบช้าละแล้วก็ขับมาก็ารบกับฮองตง ข่างแฮร์วสนเห็นไหมก็ขับม้าเข้าช่วยรุมกระนาบกระนาห้องตน้นเป็นสองต่อหนึ่งห้องตรงทหารเท่าต้องต่อสู้กับสองทหารหนุมห้องตรงก็รบผู้ตรงกันหยุดสู้อยู่ได้ยีเพลงแล้วก็แกลงชัดมาพาทหารถอยหนีไปประยะทางประมาณ200เส้เซนแล้วให้เอาฟางมาทำค่ายไว ฝ่ายแฮร์วทสซงกับฮันโฮนั้นก็คุมผัานไร่ตามไปท้าทายถึงหน้าค่ายที่ทำด้วยฝางของฮองตงล่ะเอาของตงออกมารบกับแฮร์วทสซงฮันโฮอีกครั้งโกรอดทนสู้ไปึงสิบสี่สิบเลยแล้วก็ทำเป็นชักมาพาฐานถอยหนีไประยะทางประมาณ200ร้เซนแล้วค่อยเอาฝางมาทำค่ายไว้อีก นี่ฮองตงผู้เฒ่าวัยเจ็สิเกินผู้นี้จะทําอุมายอย่างไร อ, อ่ะเปิดทําเป็นแพ้ทําเป็นหนีเอาฟางมาทําข่ายทําเป็นแพ้ทําเป็นหนีเอาฟางมาทําข่ายอย่างนี้ขันแฮร์ริ่งสงกลับฮันโฮเนี่ยกำลังติดตามบทขยี้ฮองตงอยู่แต่ในขณะนั้นก็ส่งมาใช้กลับเอามีความต้งสิ่งต้งพูนเนี่ยไปบอกแกเปลียวขับให้รักษาค่ายไวให้จงมั่นคง ขบเจ้าก็านนไม่รับใช้กนมาแก่ฮองตงติดตามฮองตงอยู่จะหมดกี่ายฮองตงไม่จบได้เปียวคับได้แก่งดังนั้นก็รีบมาแย้งแก่แฮร์ริสโกับฮันโฮทีเดียวเปียวคับไม่ได้ดีใจเลยรีบมาบอกทีด้วยที่ฮองตงถอยหนีถึงสงครั้งเนี่ยเราเห็นว่าจะเป็นปนอุบายเขาจะได้ยกตามไปเลย คือเตียวคาม่รบจนรู้กล่าวด้วยจนขยะฝืดนี่แล้วเหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือจะกล่าวว่าไม่ประมาทในสกุล ต, ตนก็ได้เมืเ่อได้กล่าวทุนปินผู้ถิ่นกำลังผู้โขนมาคือแทวงทรงกับฮันโฮสองทหารที่มาใหม่นี่เม่วจะตามไปเลยเนี่ยแพรวงทรงกับฮันโฮก็โกรธทีเดียวก็ร้องกระหว่าเอาละ อย่างน้อยดูคนทั้งสองนี่ได้รับคําสั่งเป็นพิเศษจากท่านโจหองให้มาไปพู ก, กํากับคือโค้กคุณหรือคุณตัวเปียวครับดีเยแหละเพราะเปียวครับมีแด่ผ่ายแพ้ผ่ายแพ้พ่ายแพ้อยู่ตลอดไงคนทั้งสองนี่กำเริบใจนะและมิถุออนมาเตออ็่ด้วยกระตรองหวานเปียวครับทีเดียวว่าตัวท่านนี้ขี้ขาดนะถึงเสียทีแกฆ่าศึกมาเป็นหลายคราวทา่านอมาว่ากล่าวให้ ว, วุ่นวายไปเลย จนนิ่งเฉยเดี่ยวขับมีดไม้ทัางเก่าก็กระทาการสู้รถมากับโจโฉนิชานานเป็นทหารที่โจโฉไว้วางใจมากเมื่อถูกสองทหารใหม่ร้องกระวาดเอาเช่นนี้ก็อับประยชน์แต่ฐานทั้งตัวงนะนี่เต็มไม่มีทางเฉียงเขาด้วยเพราะมันพ่าแพมาตลอดเดี่ยวขับก็กลับไปรักษาข่าอยู่อย่างนั้น เพราะเามีหนังสือมาให้รักษาไขยให้มันเขาต้องสอมอีกจะตามบทขยี้ของตงเนี่ในเมื่อเดียวขับมาทั่วมาติงแล้วนี้เรียกมาให้สติแต่ก็ไม่เป็นผลเะนี้ก็จริงกลับไปรักษาไขยด้วยความอับประยิบยิ่งนะคันรุ่นเช้าแถ ว, วทซงกับฮันโฮเนี่ยก็คุมผ่านติดตามของตงไปถึงแม่ท่าย แล้วก็ร้องยอเยยต่างๆมามาท้าทายออกมารบ ก, กันฮองตงมันก็ขับม้าออกมาต่อสู้กับคนที่สองอีกชื่อกสิเพลแล้วฮองตงก็ขับมาพาทาังหนีอีกหนีไปได้อีก200รุเส้นคราวนี้ให้เอากิ่งไม้มาทำเป็นค่ายไว้แฮร์ริ่ซนกับฮังโฮนี่ คุานตามไปโจมตีไข่หองตปงหองตงก็ออกมาสู้รบอีกเรามีสู้รบได้เพียงห้าเพลงเท่านั้นก็พาฐานรีบหนีหนีกลับเข้าด่านแท่เดงกวนไปเลยหองตง ต้องกล่าวตามที่รู้เห็นเห็นว่านี ห, หนีแฮร์ริสง่งฮเข้าด่าแฮร์สงฮันก็ุมานติดตามตามั้งขากระชิดติดด่านเข้าวไวล้ละเอาทินี้เบตต์ปัดเบตปัดนี่ต้องกล่าวว่าผู้ทรยศต่อเสฉวนรวมคิดรวมการกับเตียวสงแต่ก่อนนี่เอาบตัด ก็เป็นคนของเหล้าปีแล้วแหละตอนนี้เบงตาเห็นดยงนี้นี่ก็เห็นว่าฮองโฉกฮงตรงเนตแพ้ฮองตรหงตรหนีหนีจนกลับเข้ามาในด่านเนี่ยเบงตารู้เห็นการนั้นก็หลอกหบอกเนื้อความทั้งสิ้นเนี่ยก็ถึงเล้าปีมีแกงความไปยังเหล้าปีเป็นใจความอ่ะฮองตรงแตดท่ายแพรหัวทรงตัดหันโหมาเป็นหลายครั้งมันนี้เข้ามาอยู่ในด่าน แฮว์วอสงกับฮันโฮก็ยกตามมาตั้งค่ายประชิดปิดดันแฮเบ้งขวนอยู่หนันสือของเบ่งตัดแถบี้เกว่าเป็นความรับสำหรับฮองตงของตัวแมว่ลับนันสือนี้ไปถึงลอบปียังเสียชว่วยราปีแกลงความชะนี้ก็ตกใจทีเดียวของเบ่งส่งม้ฐานเข้าไปพลายแพ้เข้าไปแล้วนี่ รอบปีก็ตกใจปรึกษากระผมเองที่เดียวว่าจะทําอย่างไรดีเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์หกหลงขงเบงคือแจ้งฟ้าจกบินก็จริงว่าท่านยาวิตกเลยอันทองเตรงแตกหนีมานั้นหวังจะทํากลอุบายรวมฆ่าศึก ด, ดอกนี่คงไม่บอกอย่างนี้เลยคือท่านชังรู้จริงๆล่ะ ในความจริงนั้นการสื้รบทั้งสิ้นหนีมาตั้งเอาฝ่ายเอาเอาเอ า, เอาฟางมาทําค่ายเป็นสองค่ายเอากินไม้มาทําค่ายนี่เป็นการสร้างค่ายอย่างปัจจุบันทันดุลแล้วก็หนีหนีหนี้นนนวามจิงขไม่ก็รู้การนี้ทั้งสิ้นเพราะหกหลงคงเบ่งนั้นจะมีราวทหารที่เป็นหน่วยม้าเร็วคอยสืบราชการตารา่างๆมาแล้วก็ส่งข่ายทอดข่ขาไม้ฝัดพุกยา่าอยู่นี่ ที่คงไม่รู้การกระทำของฮองตีบวกแก้วนั่นเองไะก็จึงกล่าวแต่เลาปีได้ทันทีเลยว่าห้องตรงทาอุบายลาปีแหละจู่ล่องเ้วยนะจู่ล่องด้วยได้ฟังคงไม่งวาดดังนั้นก็ยังไม่สิ้นสงสัยเลาวปีก็จึงเล่าว่าฮองซึ่งเป็นอยูน่นี้คุมหานไปช่วยห้องตงเลาห้องก็คุมหานออกจากเสียชวนไม่ยังด่านแทนเลี้ยงขวนเอามาถึงก็เข้ามา บอกแกฮองตรงว่าแับนี้เหล่าปีให้ขบเจ้าคุ้มฐานมาช่วยท่านฮองตรงก็ถามว่าเหล่าปีรู้แจ้งเหตุเหตุใดสิ่งรไรประการใดอย่างไรหรือเนี่ยจึงให้ท่านคุ้มฐานมาช่วยหรือขบเจ้าเนี่ยฮองตรงฮองตรงถามแบงนี้นะก็ตัวเองไม่ได้ขอไปเลยเหล่าห้องบุงรีเหล่าปีเนี่ยก็จึงตอบว่า เราปียแจ้งว่าท่านแตกหนีข้าศึกมาหลายครั้งจนหนีเข้ามาอยู่ในด่านก็จึงให้ขบเจา้านำกำลังมาช่วยหอมตงได้วามนั้นก็หวเราะเลยตีเบี้ยวแล้วก็บอกว่าซึ่งเราแตกพ่ายถอยมาีเนี่ยึิกลนอุบายจะให้ข้าศึกเอาอาวุธและเะเบียนอาหารมารวมไว้ในค่ายประชิตนี้ คํำวันนี้เมื่อท่า ม, มาชนี้ก็ดีแล้วก็จนคอยดูเถอะเราจะยกออกตีค่ายแฮร์ริรสงกับฮันโวให้แปดไปแล้วจะให้ทาหารเก็บเครื่องสัตว์ปาบุสเบียนอาหารมาให้ตรงได้มีห้องตรงควันตีมีอูบายอย่างนี้หรอกครั้งเวลาค่ำห้องตงก็สั่งแต่งนักจุ่มให้ตัวกลารักษาด่านไว้ตรงมั่นคง แลก็ว่ากันไบ่ตักว่าวันนี้เราจอะไปทาการขอท่านจงเอ็นดูเราได้สู้พาทหารออกไปเพื่อขนเอาสเสบียงอาหารและเครื่องสาราอาวุธด้วยเถอะฮองตงบอกอย่างนี้ที่ขอความกรุยาเขาให้ช่วยเหลือหน่อยนายฐานตั้งสองคืนนะจึงเบ่งปากเด็กฟังนี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลย แต่ยังไรก็ตามก็ต้องเห็นแก่นหน้าหองตรงอยู่เหมือนกันคือก็ยังเกรงอยู่ก็รับปากว่าจะกระทำตามคราวนี้กล่าวฝ่ายข้าศึกละฮันโฮแฮร์วัตซมัดตั้งค่ายประชิปตปิดดานแฮ้เป็นกวนอยู่ที่สามวันก็มีเดินห้องตรงในฐานที่ได้ออกมารบก็มีใจประมาททีเดียวละ ถอดเกราะแกอานมาเสียคือมิได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยคือสุดประจัญมากตันอย่างเนี้ยความจริงจะต้องเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาไม้แต่กราะเหมาะ อ, อานเลยก็ต้องให้พร้อมแต่มา น, นี้เห็นมึงไม่ออกมารบด้วยผ่ายแพ้แตะเลยเปิดไ ป, ปมาไม่รู้ปี่ค่ายตัวปีข่ายเนี่ยเกิดประมาทในข่าสึกขึ้นมาละ อกรอกแก้อามาไม่ได้ปวดตรารักษา่ายเลยครั้งเวลาสองยามเสร็จฮองตงก็พาเลา่าฮองคุ้มฐานห้าพันออกไปโจมตี่ายแฮร์โวซงกับฮันโหแฮร์โวซงฮันโหด้วยความประมาทนีไ่ได้ระแวดระวังและประกรันใดอย่างไรเลยราษานของฮองตงและเล่าฮอง ก็มีคนนเข้าไปในค่ายของสัตรูได้ข้าฟันทหารตั้งปืงหล้มตายเป็นอันมากทีเดียวแฮอวอ์สส่งกะฮันโฮพู้เออหังมีทันรู้ตัวก็ได้แต่ประกาศเดียวคือพาทหารหนีออกจากค่ายฮองตงก็ตามปีค่ารายทางไปทั้งสามค่ายโดยทีเดียวล่ะทั้งค่ายที่ทำด้วยกิ่งไม้และค่ายที่ทำด้วยฟานอีกสองค่ายนั่นแหละ คือเแฮร์ริวสงโฮยิบเด็กข่าไหนก็วางกำมาไปะยะระยะมาเนี่ยฮองตงก็ไปตลบ ก, กลับไปเนี่ยไปค่ายไรทางทั้งสามค่ายไปเลยทีเดียวข้างฝ่ายเบงตัดถึงขั้นสุดแตกพ้ายไปจริงๆอะ่ะกคุมอารมณ์เก็บเอากรอกเบา อ, อ่านอาวุธสเสบียงอาหารนี่เลเป็นอันมากครังรุ่งขึ้นฮองตงจะตามแฮร์รงกับฮันโฮไปอีกเหล่าฮอง หุกเลี้ยงเราปีก็จึิงห้ามว่ถ้า แ, แก้ทาหารเราก็ออกรบมาแต่เมื่อคืนอีกรยหนักอยู่ต้องหยุดพักให้ฐานมีกำลังก่อนจึงค่อยตามไปเถอะฮองตงก็ตอบว่าเมื่อเราตามมาพบสินเสือแล้วจะไม่รีบเข้าจับลูกเสือให้ได้นั้นจะปล่อยปละละไว้ให้เสือมีกำลังก่อนเกินนั้นหรือนี่ฮองตงว่าอย่างนี้แล้วก็ประกาศจะถาง น, นงทุเต็มว จปนช่วยกันทำการใน้สำเร็จเถอะและวองตงก็ยกทัพตามไปคือตามบุคคลทั้งสองคือแฮร์วโทรงกับฮันโบไปจนใกล้จะถึงค้ายของเตียวครับทีเดียวองตง นำทหารเข้าประชิดติดค่ายเดียวคับเลยละตอนนี้เรียกว่าไปกลับมาได้ทีนี้ขันงฮร์วสักับหันโฮสองทหารหนุนจัดการที่ประมาทตะกรูเท่าหนีเตลิดเปิดเปินเลยค่ายเดียวคับไปนี่ซ้ำทีนี้กองทหารมากจานวนต้องเป็นพันๆเนี่ยหนีเตลิดไปอย่างนั้นทหารในค่ายของเดียวคับละ ทหารในขั้นเตี๋ยวขับเห็นมันี้ก็ตกใจแตกตื่นสิกดเก็บกระโหลกเปิดเปิมหนีมนีตามกันไล้ละเตี๋ยวขับก็โบกธงให้ฐานน้ำวนหยุดแต่ฐานน้ำวนก็ไม่หยุดบาดนีแตกตื่นกัเป็นการใหญ่แล้วไม่รู้ว่าท่านฮันโฮกับท่านแฮว์โฮสโนหนีกนระไรหนักหนาประการใดก็กองทัพว่าเดชชัยชนะไปโดชชัยชนะไปเดชชัยชนะไปแต่และ ว, วันนี้หนีกระโดดมาอย่างนี้ทั้งหมด ก็ทอยครับเองทหารในค่ายของติวครับเนี่ยหนีตามไปด้วยเดียวกับเองจะให้ทหารหยุดก็หยุดทหารไม่อยู่ตนเองก็ต้องพอยหนีที่ตามไปด้วยก็หนีไปจนถึงแม่น้ําฮันซุยก็ไปพบกับแพรวโซงกับฮันโฮพอกันห้าดีละเดียวกับก็ว่าแกทหารนายทหารเป็นสองว่ะซึ่งเราจะหนีไปแค่ น, นี้ไม่ได้ เมืองหันปงเนี่ยได้อาศัยสเสบียงที่ฟองสุนไว้มากเขาเพียนปองสังกับเขาบีฟองสังสองแห่งนี้ทาไมเสียสเสบียงที่สองตำบล น, นี้แล้วเนี่ยเมืองหันปงก็จะเสียแก่ข่าสืด้วยเราจําจะต้องคิดอ่านไปรักษาสเสบียงที่สองตำบล น, นี้ไว้จนได้ก็เห็นจะพอได้เป็นกำลังไว้ทําการสืบไป เดี๋ยวเขาาอย่างนี้แฮร์วัตซงก็ตอบว่าอันสเบียนทั้งสองสมไว้ในะเขาบีซองสางนั้นไม่ย่าวิตตกเลยด้วยแฮร์วัตเอียนอารผู้เันอาของขาบเจ้านะ่ะไปตั้งรักษาอยู่ในะเขาเต็งกุลสังผาง น, นี้ก็ใกล้กันเห็นจะจัดแกงทหารไปรักษาสบียนทั้งสองําำบลไว้ไปที่มั่นคงแล้ว แต่ก็ยังพอเกรงอยู่นะตำบลเขาเพียนตองสันเนี่ยซึ่งแฮหัวเด็กผู้พี่ขบเจ้ารักษาอยู่แต่ทหารน้อยเราจะชวนกันไปช่วยรักษาตำบลเขาเพียนตองสันไว้นี่แฮหัวส่งว้อย่างนี้เบี้ยครับก็เห็นทอบด้วยก็รวบรวมฐานน้ำพวยติดแต่ตืนกันนั่นได้พอสมควรแล้วเนี่ยก็พาฐานน้นพวนั้น รีบไปยังเขาเทียนปองสันเมื่อไปถึงก็เข้าไปเล่าเนื้อความให้แฮร์ริวเต็กฟังทุกประการแฮร์ริวต์เต็กก็ตอบว่านี่เราคุณมทหารสิบหมื่นอยู่รักษาสบียงแล้วจงชวนกันเร่งไปทำการเอาไทยชนะแต่ค่าสุดใท้จงได้เถอะไม่ตอนน้องวิตกถึงเทียนปองสันทีหรอ เด็ว่าจะมีทหารทั้งสิบหมื่เดี่ยวครับก็จริงว่าท่านมีทหารทั้งสิบหมืมากนะก็จริงอยู่แต่จะไว้ใจไม่ได้เดี่ยวครับไว้อย่างนี้แล้วพอขาดคําเตี่ยวครับไปนั้นเองอดีเสียงทหารโวยร้องขึ้นข้างหนมากแล้วก็มาใช้เข้ามาบอกแกท่านแฮร์วัตเต๊กว่าบัณฑิตห้องตงคุมหารมาเป็นกันมากแฮร์วัตเต็กเด็กฝันนั่นก็หัวเราะทเดียวแล้วก็บอกว่า ไอ้องตงไอ้คนเท่ามีใจกำเริบถือว่ามีฝีมือกล้าหาบางอาจยกเข้ามาทำการถึงนี่แถววัดตกวาอยานีเดียวครับก็ตอบว่าอัน้องตงเนี่นยนะใช่ว่าจะมีแต่ฝีมือก็หาหนีได้ฮองตงยังประกอบด้วยสติปัญญาคิดอมสึกต่างๆากลายเป็นผู้มเมาหมักก็เสียแล้ว คือเมาสงครามครัวไปหมดแต่ก็เป็นความกิจพอเตียวขับประจนประจันกันมาจกนกระทั่งรู้กําลังข่าศึกรู้ฝีมืรู้สติปัญญาจะไม่กล้าประมาทแต่เมื่อเตียวขับกล่าวท้วงติงท่านแหวเต็กแม่กองเสบียนใหญ่มีใครผมสิบมืนนี่แหวัเต็กก็จริงผูดอะถึงมากแต่ว่าฮองโปงจะมีสติปัญญาความที่เท่าใดอันจะล่วงเข้ามาถึงเนี่ย ก็มืคนหาปัญญาไม่แม่ Man. ฮันโฮก็จีว่าข้าพเจ้าจะขอฐานสักสามพันยกออกไปทําการรบเอาชายชนะแกฮองตงให้ได้ฮันโว่าอย่างนี้แฮว์เด็กก็จัดแจงฐานได้สามพันฮันโวก็คุมทหารมาทีเดียวก็มาร้องท้าทายฮองตงฮองตงได้ฟันนั้นก็โกรกก็ขับม้าออกรบ ไม่ทันพัดนึงหรอกคือยังไม่ทันได้เคลงเดียวเลยฮองตงแต่แรกที่ยรบทาแพทรบทำหมีรบทำผ่ำำายก็ได้อุบายแต่บัดนี้ไม่ต้องรออุบายได้แล้วฮองตงตะรีมาปราดข้อปราทากับฮันโฮเพียงคู่เดียวฮองตงผู้ใช้ยเงาเป็นอาวุธเช่นเดียวกับกวนอู ฮองตงก็เอาเงามันฟันฮันโวตกมาตายเลยทีเดียวฮันโวผู้อาถานพ์บสิ้นชีวิตลงอย่างนี้แล้วฮองตงก็ไล่ฆ่าฟันทหารทั้งปวงของฮันโวแตกตะเลยไปเลยทีเดียวเตียวครับแฮร์โวส่งเห็นไหมไหมก็คุมหารจะลงไปรบกับฮองตงก็พอดีได้ยินเสียงประทับบางขึ้ทางหลังเขาแล้วมีเสียงหันโวร้องขึ้นทางหลังหลังภูเขา แล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นทางด้านหลังค่ายนะเป็นหลายตำบลมีละพี่เนียมเงันละที่ห้องตถงกระซึกกระซาให้เนียมเงันไ้ทาการนะ่ะนี่ไงเนียมงันก็ทําการที่ทางด้านหลังค่ายแหหวเต็กผูธระนงวัดตนมีไพร่ผลถึงสิบหมืน่นแหว่วเ็กก็คุมฮันออกมาหวังจะรบกับข้าพึกยมนคุณพลเท่า ก็ขับมารำทวนเขารบกับแหัวัดเตกไดเพลงหนึ่งแล้วเงียบงนก็เอาทวนแทงถูกแฮหัวเตกตกมาตายแฮหัวแท่แหัวแท่เก่าแทะดังแส่เดิของโจมินเตโชพระจอวีอ๋องอ่ะแหัวดเตกผู้คุมไพ่คนถึงสิบมืนรักษาตำบลเขาเทียนปองสันด้วยความประมาท จบชีวิตลงด้วดยฝีมือของทหารเท่าคึอเงยนั้นข้างฝ่ายหองตงไม่หรอเห็นแสงเพลินลุกขึ้นทางบ้านหลังค่ายก็รู้ได้ทันทีเงี้ยนั้นคู่คิดคู่ใจตงจุดเพลินขึ้นตามสัญญาแล้วฮองตงก็คุมฐานตีเกินมาบเข้าไปทันบ้านมาแล้วก็เอาเพลินเผาค่ายลุกไหม้สเบียงอาหารไปสักส่วนหนึ่ง ไร่ข้าวันทหารก้มตายเป็นอันมากทีเดียวเตียวครับกับแฮหัวอสงเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็พากันหนีไปหาแฮหัวอสเอียนอ่หนีไปหาแฮหัวอสเอียนฮงตรงกับเงียมงานก็สังทหารให้เขาดับเพลินไวเพลินที่ไม่สเบียนอาหารอยู่นะบัดนี้ไม่จําเป็นต้องปล่อยให้รูปไหม่หมดแล้วนี่ขาสุดหนีแล้ว ก็สายฐานเราเนี่ยเข้าช่วยกันดับเพลิงก็ได้สเสบียงไว้บักแล้วก็วยฐานตั้งข่ายรักษาสเสบียงทั้งปวงนี้เข้าไว้แล้วก็แต่งหนังสือบอกเนื้อความทั้งปวงให้มาใช้ถผือขึ้นไปให้เราปีณนะเมืองเสฉวนได้สำ ตนผู้เฒ่าวัยเจ็สิบเกินผู้นี้ก็ทําการด้วยความสุขุมอดทนรอบครอก็จนกล่าวว่าดเด็กของเบ่งกระทาวิธีการต่างๆจนกระทั่งของตงตรงนี้กระทาการเอาชัยชนะให้ได้ด้วยสติปัญญาายประการกันละ่ะมันได้พรางรวมกันหลายอย่างหลายด้านอยู่ของตรงได้ชัยชนะ นอกจากชนะแล้วยังยึดตำบลเขาเทียนปองสันอันสาคัญไว้ได้ด้วยนอกจากนั้นได้ลงทะเบียนมาอีกส่วนนึ่งด้วยและเมื่อแจ้งหนังสือถึงรอปีอย่างเสฉวนรอบปีได้แจ้งความในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีหัวเกง่งหัวเกง่งมีขากล่าวเมืองเสฉวนกว่าแต่รอบปีว่าครั้งโจ ổ, โฉยกมาตีเมืองฮันตงนั้น โจโฉก็คิดจะมาตีเอามืองเสฉวนและบัด น, นี้โจโฉให้แหววิเอียนกับเตียวครับมาอยู่รักษาเ ม, มืองฮันตงเนี่ยตัวโจโฉในยกกองทัพกลับไปมันเหมือนหนึ่งนี้แค่ความคิดโจโฉแล้วเตียวครับก็แต่ยับเยินอีกทั้งเสียสเสบียงเขาเทียนตองซันให้แกฮองตงด้วยครั้งนี้ก็เห็นได้ทีอยู่แล้ว ขอให้ท่านยกกองทัพหลวงไปปีเอาเมืองหันตงคือแคว้นตั้งชวนเนี่ยไว้ให้ได้เมื่อสมเร็จแล้วแม้จะยกล่วงไปกำจัดสกรูราชสมบัติเสียก็เห็นจะได้เดินง่ายหรือถ้า น, นี้ดังนั้นก็ให้แต่งผู้รักษาเมืองหันตงไว้เป็นเมืองหน้าบานอันสำคัญของเสฉวนแล้วท่านจงกลับมารักษาเมืองเสฉวนไว้เป็นที่มั่นคง ก็จะมีความสุขสืบไปเราปีกับขมดิ่งได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือออกไปกําชับแก่นายด่านเมืองเสยฉวนและหัวเมืองขึ้นทั้งปวงให้รักษาด่านทางไว้ให้มั่นคงแล้วสั่งให้จุร่งเปียจุร่งหยู่สุภาพุจักเสียงสารคุณทหารเป็นกองหน้า เหล่าปีกับขงเบ้งนั้นคุมทหารสิกมืนเป็นกองหลวงยกงวงเข้าสู่แคว้นตังฉวนคือเมืองหัมปงขนาดนั้นทุตอนนั้น เป็นตอนที่พระเจ้าเฮียนเตมาอยู่เมืองหูโตได้ยี่สิบสามปีนิตรงกับปีพุทธศักราชเจ็รเป็นเทศกาลเดือนเก้าหล่าปียกกองทัพออกจากเมืองเสฉวนครั้งมาถึงด่านแห่บเบงกวนค่อยตั้งค่าอยู่นอกด่านให้มาชายรีบไปหาตัวหองตงกับเมียงงนิน สองทหารผู้สูงอายุเนี่ยมาปูนบาเหน็จเป็นอันมากทีเดียวแล้วก็พูดว่าทหารทั้งปวงล่วงดู้มินว่าท่านเป็นคนชราจะทำการสุกนี้ได้แต่เรากับขนเบ้งเนี่ยรู้อยู่ว่าท่านจะทำการสงครามได้ที่ให้อาสามาทำการได้ใช้ชนะแก่เตียวครับและบัดนี้ท่านก็ได้สเสบียง ข้างเขาเพียนปองสันงแล้วก็ยังแต่สเสบียงข้างเขาเตงกุนสันซึ่งมีแฮรวิเอี่ยมรักษาอยู่นั้นแม้เราได้สเสบียงตำบล น, นี้อีกเมืองหันถ ง, งก็จะอยู่ในเงื้นมือเรานี่เราปีว่ายัางนี้เพื่อจะกล่าวกันลงให้ชัดเราปีเองนั่นแหละก็ดูถูกหมิ่นประมาทแกบุคคลทั้งสองนี้อยู่จะไม่ยอมให้มา คงเบ้งแต่ผู้เดียวตันงหัดที่มีความไว้วางใจต่อบุคคลทั้งสองนี้เป็นที่ยืนและกล่าวต่อไปอีกผู้หนึ่งกิลล่องเองก็ประมาแกผู้เท่าทั้งสองนี้อยู่เหมือนกันแต่บัดนี้เหล่าหยุนเตก ป, ปีนี้เขามาพูดได้อย่างนี้แต่เรากับคงเบ้งรู้อยู่ว่าท่านจะทำการสงครามได้ทึงให้อาสามาทำการก็เอาละเหล่าปีท่านก็ว่าอย่างนี้ ขมงตรง น, นก็จริงพูดว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปทําลายสเสบียงนักเขาเต็งอุ่นสันให้ได้คนเบ้งก็จริงว่าท่านผู้เท่านี้มีแต่ฝีมือกําลัง น, น, น้อยอยู่แล้วอันแทฮวยเอี้ยนคนนี้มีฝีมือยิ่งกว่าเตียวครับโจโฉ น, นั่นนักถือไว้ใจกินให้มาอยู่รักษาเมืองฮัตถงซึ่งท่านจะไปหากหานเอานั้นหิ้จะไม่ได้ จำจะจับทหารให้ไปรักษามือเก่งกิ๋วแทนกวนอูและให้กวนอูมาทำการรบกับแฮนหัวเอียนแหละกิงจะได้ขมเบ่งอะไรไม้นี่อีกแล้วคือ ด, ดูถูกน้ำใจกันไว้ก่อนละจะต้องเอากวนอูขึ้นจากเก่งกิ๋วมาหนิเฮะองตงฮองตงได้ฟังก็โกรกก็จริงผู้บ่าครั้งนั้นจเจ้าเมือง คนที่เรียนเผาอายุ80ปีเศษมีเลียมเผานี้มีกำลังเปน็นอันมากกินอาหารเสมอวันละหนึ่งทา ทีเดียวหองโตงเพราะมีหัวเจียงเดือดไปแล้วเนี่ยผมเบ่งก็จริงว่าแกรอบปีว่าข้าพเจ้าด้ยุให้หองโตงทหารเข้าไปทำการครั้งนี้อะดิแต่จะไว้ใจนิดไน้อยนี่ขงเรู้ประมาณทีเดียวละข้าพ่อนก็ ยุทีไงแล้วล่ะนนเรียกว่าพูดเด็ดแบบ น, นี้ขนาดนี้ก็พูดอย่างนี้อีกแหละผมเองก็รับ ค, คงค์กรอ่ะข้าพเจ้ายุให้ห้องตรงฐานเท่าไปทำการครั้งเนี้ยจะไว้ใจไม่ได้ดูอย่างไรก็ตามหอ้องตรงก็ชาราอยู่แล้วจำเราจะให้ทหารยกหนุนไปอีกและผมเองก็สั่งสั่งใครล่ะจึงจะเหมาะสมและเหมาะใจใครอ่ะ จะเหมาะสมหมาะใจเท่าจูลงมีของเบ่งสั่งจูล่งวะจูลงท่านจงยกฐานกองรีดไปตามทางน้อยถ้าเห็นหองตนพี่พรำให้ยกออกช่วยถ้าเห็นหองคตรงได้ช่วงทีให้สงบอยู่ในป่าผมเบ่งสั่งจูลงไปละแล้วก็สั่งเล่าห้องกับไม่ตัดไหว้ท่านคุมฐานสามพันโบไปทางนึง ถ้าถึงเขาเป็นคุณสันเห็นที่ใดเปลี่ยวแล้วก็ให้หยุดทับไว้นาที่นั้นให้ฐานปัดทงแล้วก็โห่ร้องให้จงหนักนี่ขงเบ่งสั่งการไดบ น, นี้ดิ้นลงเหล่าห้องเบ่งปักก็ขมับลาของเบ่งต่างคนต่างก็ยกไปตามของเบ่งสั่งจากนั้นของเบ่งก็ให้เงียนหลังเนี่ยกลับไปอยู่รักษามเมียนปาเส เสี้ยวหวยรักษาอยู่ให้เงียบงนันไปอยู่ปานเซให้หาตัวเตียวหวยกับอุยเอียนมายังดานแห่เบ่งขวนคิดอ่านที่จะยกเข้าไปตีเมืองฮันตงให้จงได้ขนาดนั้นเตียวขับเตียวขับอ่าพร้อมกับแห่หัวโซ่ก็ไป บอกแกแฮว์หัวเอียนพีเดียวว่าเขาเทียนตองสันเสือแก่หองตองทหารเท่าของเหล้าปีเ่แล้วแฮวหัวเต็กและฮันโฮกดตายในที่รบบัด น, นี้ได้ข่าวว่าเราปียกทัพมาตีหนึ่งหันตงจําเราจะต้องเอาเนื้อความทัานบอกขึ้นไปกราบภูนพระเจ้าวีอองจึงจะควรต้องกราบพูนเรื่องราวไปถึงท่านจาโจโฉร แต่ก่อนนี้บอกว่ามหาอุปราชแต่ตอนนี้จากมหาปราชก็มาเป็นวีโกงจากวีโกงขึ้นเป็นวีอ๋องพระเจ้าวีอ๋องอจำเราจะต้องเอาความตอนนี้บอกขึ้นไปกลางตูพระเจ้าวีอ๋องจริงจะควรจะได้คิดการสงครามป้องกันเล่าปีต่อไปเดี๋ยวคาแพวุฒิสุลแจงเรื่นราวทังสิ้นนี้แก่แพวเอ็นได้ทราบแพหวเอ็นได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นด้วยก็ยจึงให้ทหารรีบไปบอก โจหองก่อนบอกโจหองณเมืองลำเตงโจหองก่อยถือหงสือนั้นขึ้นไปณนะเมียงหูโตทูนแจ้งเนี้ยความทั้งปวงแกโจมิงเตกโฉเลยทีเดียวมีความไปถึงเมืหลวงละข้าโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องแจนั้นก็ตกใจทับใหญ่รอบปีกฤตาเข้าสู่หันตงแล้วฉชนเนี่ย โจโฉก็ปรึกษากับผุ้นานทั้งพวงว่าบัดนี้เขาเพียนปองสังก็เสียแต่เล่าปีแล้วเล่าปีที่อ่านจะยกกองทัพมาตีเมืองหันสงชนิดท่านทั้งพวงเห็นประการใดเล่าหัวก็ทูลว่าอันเมืองฮันสงนี้ก็เป็นเมือหน้าด่านของเราอยู่ทำแม้เล่าปีได้เมืองฮันสงก็แล้ว อ็เห็นจะล่วงเข้ามาตีเอาเมืองเราเป็นมั่นคงขอพปร่งจงคิดอันไปป้องกันไว้จริงจะควรนี่เล่าหัวพูดดังนี้อ่าคราวก่อนนู้นเล่าหัวเนี่ยเคยพูดจาทวงติบอกกล่าวโจโฉเกี่ยวกับเรื่องเราปีเมืงเสฉวนไว้มากแต่โจโฉไม่เชื่อโดยเฉพาะครังที่ยกขึ้นไปปีเมืองฮนตงได้แล้วนะ่ะห้ไปตีเสฉวนซะเลยเนี่ยโจโฉไม่ไป ยกทับไปด้วยความทุกอย่างตุรกันบานต่างๆนานาประการหนักหนานะและบัดเนี่หอกข้างแคร่เรื่เนี่ยมันก็พิ้งเข้ามาแล้วเนี่ยโจโฉพระเจ้าวีอ๋องก็จึงพูดขึ้นว่าเราคิดน้อยใจนะถ้าจะกล่าวโดยชัดแจ้งก็ต้องกล่าวว่าโจโฉนําพระเจ้าเย็นเตะตแต่ยังเป็นจักรพรรดิองค์น้อยออเกระเสเกิดเสืหนีตั้งโต๊ะ หมิ่นชุยกวกยจีกระเดดเปิดโปงไปแทจบจะเอาตัวไม่รอดและโจโฉได้มาช่วยเหลือโดยนำพระเจ้าฮิ่งเต๋อมาประทับที่หูโตเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ได้ยี่สิบสามปีเป็นเดือนสิโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องก็แต่งตัวอย่างกระสับถือธงอาญาสิบขี่มา กเครื่องทองกันด้วยสัพพทนทองมีทหารเดินแห่หน้ามาถือธงเดือนธงตะวันธงมังกรธงโหงอย่างทาเมียัก ร, ริยัเลยอตอนนี้โจโฉก็เป็นพระเจ้าวีอองแล้วการเคลื่อนทัพนี่จะเป็นไปอย่างแบบอย่างของอแม่ทัพแมยฐานธรรมดาเป็นไปอย่างอกองทัพ ระสัตแลวก็จัดฐานที่มีชื้นมีม่สำหรับรักษาพระองค์ 2,500 0นหั 25, มีขัดเลือกแต่รุนทหารชั้นที่หนึ่งท้งนั้น 2,500 0แยกเป็น5กองกองละห0 0พันกองหน้าให้ถือธงแดงเป็นสำคัญกองขวาถือธงเขียวกองท้ายถือธงขาวกองหลังให้ถือธงดำกองกลางซึ่งเดินข้างมา้าถือธงเหลือง มีการจัดทัพคณะทหารรักษาพระองค์ไม่ใช่องค์อื่นองค์ใดองค์ใครที่ไหนนะองค์มีอองนี่แหละรักษาพระองค์โจโฉเนี่ย 25,000 จัดทัพพลิกพรันเป็นทัพกระสั์ครั้นได้กำหนดเวลาค่อยทหารโหร้องตีคองกรองและมารอกตั้งขบวนแห่กันสนันวันไหวออกจากเมืองไป โจฮิวซึ่งเป็นกองหลังก็ยกทหารกองหลังติดตามไปไปจนพลด่านตงรงกวนโจโฉอยู่บนหลังมาแต่บางครั้งเขาก็เรียกพระเจ้าวีอ๋ อ, องนะครับบางครั้งก็เรียกโจโฉโจโฉอยู่บนหลังมาแลไปเห็นผู้ม้ใหญ่เขียวจะอุ่มอยู่ในป่าข้างขวามือก็ถามทหารว่าป่านี้เรียกชื่อตำบลใดทหารก็ทูลว่า ชื่อตำบลลำฉันถัดป่าน้ลงไปก็ถึงริม น, น้ําเรียกตําบลบ้านสัวแกจริงมีสัวหยงเป็นนายบ้านสัวหยงผู้เป็นนายบ้านนั้นมีบุตรหญิงคนหนึ่งรูปร่างงามชื่อว่านางสัวเอี่ยมโจเอียนอ่องจับเอาไปโจโจได้ฟังนี่ก็จิงว่าอสัวหยง มาเป็นนายบ้านสุวอยงคนนี้แต่ก่อนรู้จักชอบใจกันอยู่กับเราเมื่อครั้งโจเอียนอ่องจับเอาบุตรสุวอยงไปนั้นเราให้ทหารเอาทองคําพันตํำลึงไปถ่ายมาแล้วเราจรึงตกแต่งยกให้เป็นภระยาตังกีบัดนี้สุเอ y o ก็ตายไปนานแล้วเราจะแวะเข้าไปเยี่ยมนางสวเอียมสักหน่อยโจโฉวัดดังนี้แล้วก็ ไปยังตำบลบ้านสัวแกจริงครั้งไปถึงหน้าบ้านโจโฉก็ถึงกหะทั่งยกล่วงไปก่อนและโจโฉกับคนสนิทประมาณร้อยเศษก็พากันเข้าไปในบ้านสัวแกจริงไปถึงประตูบ้านนั้นโจโฉก็ลงจากหลังมา้าแล้วก็เดินเข้าไป่นานามสัวเอี่ยมเห็นเช่นก็มีความยินดีวิ่งมาขมับเชิญโจโฉเข้าไปในตึกโจโฉเห็นศซีราปักหยุดตรงประตูตึกแผ่นหนึ่ง โคถามนางสวยเอี่ยมว่าแม่นเซีราอันใดอะนางสวยเอี่ยมก็บอกว่าแต่ครั้งพระเจ้าโฮเตอร์เดลจะสมบัติในเมืองหลวงนี่เป็นเรื่องราวแต่อดีตแต่ครั้งตั้งหังนะ่นน่ยนางบอกว่าครั้งพระเจ้าโฮเตอร์เดลจะสมบัติในเมืองหลวงบิ ด, ดานางเจงหอได้มาร่วมแข่งเรือแล้วก็ตกน้ําตายศกหายไป นางโจงหอผู้เป็นบุตรอายุได้14ปีเที่ยวร้องไห้ติดตามหาศพ บ, บิดาถึง7วันก็มีเด็กพบนางโจงหอนั้นคิดแค้นใจนะักก็โจรน้ำตายตามบิดาไปต่อมาอีกห้าวันนางโจงหอก็กอดศพ บ, บิดาของนางลอยขึ้นมาเหนือน้ำาวเืองโตเสียง ีเนความนี้ ก, นนกราฟฟูนต่พระเจ้าโฮเตพระเจ้าโฮเตจึงให้เขียนชื่อนางโจงอใส่ศีลาเอามาปักไว้นที่นี้เป็นอักษรวัดฮาลีแปลเป็นภาษาไทยพอได้ความว่านางผู้รู้จักคุณบิดามารดานีนางสวยเยียมกล่าวที่แจ้งเราหรือราของแั่นดิรานีให้โจโ จ, โจฟังโจโจงได้ฟั ง, งว่า ซึ่งนางโจหงหอมีกตัญญูต่อผู้มีคุณชะนีประเสริฐนะควรที่คนท่านปวงจะได้ดูเยี่ยงอย่างสืบไปและโจโฉ ก, ก็ลานางโซเอียมออกจากบ้านของนางแล้วก็รีบเดินทับต่อไปความในตอนนี้ ความจริงท่านกล่าวสอดแทรกไว้เนีเพียงนิดเดียวนี่แหละนะครับก็ เ, เป็นเรื่องราวที่ได้ถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้เพื่อความนิให้สูญหายคือใช่คงอยู่เกี่ยวกับเรื่องความกระตันญยูกระตวเวทีความอัศจรรย์แปลกยังไรก็ได้นางโจงออายุ14ปีติดตามบิดามีชีวิตอยู่นิดตามไม่พบศพเสร็จบิดาตกน้ำตายนี่ ก็โดดตามรูไปในน้ำแหละนั่นแหละก็ไปเจอกันในน้นํานะจะมีเป็นเรื่องที่เข า, เาบันทึกว่าชิ้นเล็กน้อยนิดหนึงนั่นหละแต่เพื่อให้คงอยู่ซึ่งความกระตันยูกระตวทีซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยกย่องสรรเสริญและโทษทูนอยู่ตลอดกาลเรามากล่าวกันในเรื่องของการเดินทางเดินทับของโจโฉกันต่อไปโจโจออกเดินทางไปครึ่งวัน ก็ไปถึงเมืองลำเต็งซึ่งโจอหองอยู่รักษาพร้อม ก, กันกับทหารที่ไปก่อนแล้วนโจอหองเด็กสาบว่าโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องกรีธาทับมาถึงก็มีความยินดีออกมาำมับป้อนรับเชื้อเชิญโจโฉเข้าไปในเมืองแล้วก็ทูลเนื้อความตามซึ่งเตียวครับทำการเสียทีแก่ข้าซึกดให้ฟังทุกประการละเธอเทกล่าวว่าโจอหอง ฟ้องเตียวครับก็ได้แต่โจโฉนั้นมีได้พอยชื่นชมไปกับคําทูลฟ้องกับราการใบของโจห้องหลบโจโฉกับบอกว่าอการสงครามจะหมายชนะทายเดียวนั้นไม่ได้การสึกการสงครามสู้รบ ก, กันชนิดก็จำต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งเตียวครับเสียทีแกข่าสึดครั้งนี้นั้นเราจะยกโทษไว้ให้เพื่อได้ทำรชาชการแก้ตัวสักครั้งหนึ่งก่อนจูหองก็ทูลต่อไปว่าบัดนี้เล่าปีให้หองตรงยกมารบที่เขาเต็งกุญสันแฮวเอียนรู้ว่าพราะองค์ยกกองทัพมาก็รั้งรออยู่ยังหาออกสู้รบกับหองตรงไหม โจโฉได้ฟังรายงานนั้นก็จึงได้แต่งสือให้ทหารรีดถือไปถึงแฮวิเอียนฉบับนเป็นใจความว่าให้แฮวิเอียนเร่งยกออกรบกับฮองตงเล่าหัวที่ปรึกษาคนสําคัญในตอนนี้ของโจโฉก็ทูลว่าแฮวิเอียนนั้นเป็นคนโมโหมากจะทําการสิ่งใดก็ไม่ผิดเครับเกรงว่าเราปีกของม่งจะคิดอ่านทําคนอรอลวงมา แห่หวเอียนรู้ไม่ถึงก็จะเสียทีเปล่าซึ่งพรงใจแแห่หวเอียนออกรอบกับ้องตรงนั้นจงพิเคราะห์ดูให้จงควรก่อนเหล่าหัวทัดทวงขึ้นอย่างนี้โจโวได้ฟันก็เห็นด้วยก็แต่ฝืออิฉะบามิเป็นใจความว่าธรรมดาผู้เป็นนายทัพนายกองจะทำการสงครามก็รู้จัก ทีเสียทีได้อย่าให้เชื่อกำลังฝีมือของตัวอันกำลังฝีมือของตัวนั้นจะหักหารเอาคนร้อยคนพันนั้นไม่ได้จะสู้ได้ก็ตัวต่อตั ว, ตวถ้าเว้นไว้แต่ผู้มีความคิดรู้กลในการสงครามจึงจะอาจสามารถเอาชนะแต่ข่าศึกอันมากกว่าได้ ซึ่งแววเอี้ยนจะทําการสงครามครั้งนี้ให้กรองปรึกจรงหนักอย่าให้เสียทีที่เราชุกเรียงเป็นฐานบัดนี้เราก็ยกมาถึงเมืองลำเต็งแล้วจะรอดูความคิดเจ้สักครั้งหนึ่งก่อนอันหนึ่งซึ่งเตียวครับทําการให้เสียทีแก่ข้าศึก น, นั้นเราก็ยกโทษให้แล้วให้เร่งคิดอ่านทาการแก้ตัวเธอ นี่โจโจมีหนังสือฉบับที่สองเพื่อเตียมสติแคร์รังรอรู้คิดรู้อ่านกันบ้างและโจโจก็สายฐานถือหนังสือฉบับที่สองเนี่ยไปให้แฮ e e ว์เอรียนแฮว์เอรียนก็เด็กแจ่งหนังสือทั้งสองฉบับบ้างแหะฉบับนี้ให้ออกรออีกฉบับนึงกล่าวทักท้วงให้สติดูจัดยับยั้งจันคิดมันเนี่ยแฮว์เอรียนก็ม e ีความยินดีก็สั่งฐานผู้ถือหนังสือนั้นว่า ท่านกลับไปทุนพระเจ้าวีอ๋องเถิดว่าอย่าได้ทรงนิกปกเลยแต่การเพียงนี้เราจะอาสาให้สําเร็จการให้จงได้ผู้ถือนังสือนั้นก็กลับมาอย่าเมืองลำติงมาทุนเนี้อความกปโจโฉขั้นแหวเอียนนั้นแหวเอียนก็เรียกหาตัวเตียวครับมาทีเดียวแล้วกเอาหนังสือให้ดูแล้วก็ปรึกษาระหว่าบบัตรเนี่พระเจ้าวีอ๋อง ก็ยกทัพหลวงมาตั้งอยู่ในเมืองลำเป่งนี้วเราจะมานิ่งอยู่ชะนี้เพื่อจะมีบัมเอ็กความชอบประการใดเวลาพรุ่งนี้เราจะคิดอ่านยกออกไปโรบ ก, กับฮองตงจะจับตัวฮองตงให้รงได้ทีเดียวเจ้าค้าก็จริงว่าคือเจ้าข้าได้รบร ก, กับฮองตงมาจนจนรู้ฟิมีความคิดฮองตงแล้วนะ ก็เรียกว่าวาวันยวยเยอะโบเตียวครับพูดว่าองตงพูดเท่าคนนี้เป็นคนมีฝีมือรบพุ่งสันทัดนะแล้วหัวเกง่งพี่ติดตามมาด้วยในกองทัพฮองตงนั้นก็เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งท่านาพึ่งดวนดูหมิ่นฮองตงก่ออันนึ่เขาเป็นกุญสานี้ก็เป็นที่สาคัญอยู่ัวเกง่ง จะคิดกลมอุบายประการใดอย่างไรก็ยังหาแจ้งไม่ขอให้ท่านยับยังตั้งมั่นวัดฟังกำมานสึกดูก่อนเดียวขับกระห่าวดังนี้แถวหัวเองก็จริงว่าที่คนว่านี้ก็ชอบอยู่แต่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถ้ามีผู้มาอาสาชิงเข้าตีหองตรงแปดได้ก่อนละ่ะเราจะมีได้ความอับไปยศเลยหรือ จะเอาหน้าอันใดกลับไปเฝ้าพระเจ้าวีอ๋องได้ซึ่งท่านไม่ยอมไปก็จงอยู่รักษาค่ายเถอะแต่กำลังเราจะเอาชนะฮองตงให้จงได้แหวองีวกนวรว่าอเ็นไวอย่างนี้แล้วก็หันมาถามถามนั้นาปนกลว่งแล้วว่าผู้ใดจะอาสาเป็นกองหน้าได้บังแหวิงวกนผู้รอดตายมานี่ก็รับอ า, าถาทีเดียว ว่ากบเจ้าเจ้าของอาสาเป็นกองหน้าอุ้มานยกเข้าตีก่อนเองแฮร์ริเอรนในฟังก็มีความยินดีละเกิมฐานสามพันวย<า>แก่แฮรเทรงแล้วก็สั่งว่าท่านจะออกไปปีฮองตงครั้งนี้ก็อย่าเอาชัยชนะเลยจงทำเป็นแพแตดหนีให้ฮองตงไล่เข้ามาทางนี้เถอะและเราจึงจะคิดกลอุบายแก้ไขให้มีชัยชนะตอภายหลังเอง แฮว์ทรงผูกเป็นหลานก็รับคำและก็คุมฐานสามพันโดดออกจากค่ายไปแฮว์วเอียนก็ยกทหารออกไปตั้งอยู่ปากทางแล้วให้ทหารขนก้อนติราตัดท่อนไม้ขึ้นไปเตรียมไว้บนเนินเขาทั้งสองข้างทางเป็นอันมากทีเดียว ของตรงขุนศึกเท่าขุนทหารแ่พร้อมกับหัดจริงยกกองทัพมัดตั้งยู่หน้าเขาหนชีชานานานแล้วของตรงอาสาของเบ่งเล่าปีมาด้วยความโกรธว่าการเท่านี้เนี่ยจะต้องมาเรีย ก, กวนอูจกกัดเป็นจิ๋วขึ้นมาทีเดียวหรืเนี่ยก็ยกมานี่มัดตั้งทัพอยู่นานแล้ว แฮวิเอียนไม่ออกมารกด้วยเลยฮองตงได้ฐานไปร้องท้าทายหลายครั้งแฮวิเอียนก็ไม่ได้ยกออกมาสู้รลใต้งมั่นอยู่แต่ในหุบเขาฉะนั้นฮองตงก็ตั้งมั่นอยู่ในค่ายพอดีวันนี้ทหารเข้ามาบอกว่าแฮวิเอียนให้แฮว์โวซงยกออกมาฮองตงก็ตับแยงฐานยกออกจาก่ายทีเดียวตันเซ็กผู้เป็นนายทหารก็จึงเข้ามาพูดว่าการแตะเพียงเท่านี้ ขอท่านอย่าได้วิตกต้องเอาเป็นธุระเลยข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปรบกับแฮร์วิสซงจับเอาตัวมาให้ท่านได้จงได้เองตังเซกเข้ามาอาสาชนิดฮองตงเด็กฟังก็ดีใจละก็เกณฑ์ฐานพันมึงให้แกตามเซกยกออกไปหน้าค่ายครังแฮวิสซงยกมาถึงตามเซกก็ขับมาเข้ารบกับแฮร์วิสซงเลยทีเดียว เป็นข่าสุดศัตรูกันจนไม่ต้องเจรจ า, าความกันแล้วตามเซ็กแฮร์หัวทรงสู้รบกันได้เจ็ดเพลงเท่านั้นแหละแฮร์หัวทรงก็ทําเป็นแพ้ขวบมาหนีเพราะแฮร์หัวเอียงสั่งมาแล้วนี่ออกไปรบครั้งนี้อย่าเอาชัยชนะเลยนี่แฮร์หัวทรงหลกระทำตามคําสั่งของผู้เป็นนายทัพเองตนล่ะสู้แต่พอสมควรก็ขวบมาหนี ข้างตันเซ็กนะ่ไม่รู้ทีเขานี่เห็นหนีหมายความว่าตัวได้ทีสิก็พวกมาไา่ติดตามไปประมาณย0สิบเส้นก็ไปถึงข้างหุบเขาซึ่งแหวหัวเอียนเกลียยกองทัพสุ่มไวนะ้น่ะนอกจากกองทัพซุ่มไว้ด้วยเรายังมีก้อนซีราและท่อนไม้ที่เอาขึ้นไปเตรียบมบนเนินเขาทั้งสองข้างเป็นอันมากนะเมื่อตันเซ็ก อาสาแทนหองตรงมาชนิดติดตามแหววโซงมาถึงที่นี้ทหารที่บนเนินเขาเนะ่ก็ถุยทิ้งก้อนเิร่าและท่อนไม้มาดังหาผฝนทีเดียวตามเชก็ตกใจชัดมาพังอ่ะขวบมากกลับออกมาเลยทีเดียว ต่ตันเซกนะ่ะกลับออกมานะ่ะยังมีรอดพ้นจากศอกเขาหน่ะหรอกก็พบกับแฮร์โวเอียนดลแฮหัวเอียนพุ่งั่นใจที่จะจับหองตรงให้ได้เนี่ยแฮร์วเอียนคุมหามาสกัดปากทางเนี่ยแฮรัวเอียนเห็นตันเซก์บอบช้า ม, มาแล้วทั้งด้วีกว่าพิราและถอนไม้กว่าจะหีรอดมาได้เนี่ยแฮร์วเอียนก็ควบมาตรุนเข้ามา ตานเซกได้สําเร็จมัดเอาตัวเข้าไปในค่ายทางฝ่ายฐานของตานเซกจมนพันหนึงนะก็แตกกระจาย ก, กระจายรุมไปไปก็มัดแฮวเอีย๋จับไว้ได้บางก็มีที่หนีได้ก็กลับไปยังค่ายแจ้เนื้อความทั้งพวงได้แก่ห้องตงได้ทราบฮองตงได้ฟังรายงานฉเนั้นก็ตกใจทีเดียวตานเซกออกไปพลาดแพ้ถูกจับองทับยับเยินกลับมา หองตรงก็หันหน้าเขาปรึกษากับหัวเจงระว่างบาดเนี้ตามเช็คได้อาสาข้าไเจ้ายกออกไปรถก็เสียทีแกแฮว์โหยเอียนถูกเขาจับตัวไปได้แล้วชนิดเราจะคิดอ่านประการใดอย่างไรดีจึงจะแก้แค้นเอาชัยชนะให้จงได้หัวเจงก็จริงว่าแฮว์โหยเอียนคนเนี้มีกําลังก็จริงเป็นผู้มีกําลังมีฝีมือ ม, มากก็จริงหรอก เป็นคนมีโทโสมากด้วยจะทำการสิ่งใดเนี่ยหาพินิจพิเคราะห์ใหม่เราจะคิดกลศึกอันนี้ชื่อว่าวนเท็กวีจูกีวัดมีกลศึกอันนี้เ็าชื่ออย่างนี้วนเท็กมีจูกีวัดแปลพบได้ความว่าแทกลับมาช่วยเจ้าเรียน มีโกมสุดเขาแปลว่าอย่างนี้ไหมครับเอาหวัวจังคี้เจังๆๆๆต่อไปคิดว่าคือว่าเราจะตั้งค่ายเรียงออกไประยะห่างกันเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งจนหลายค่ายเอาทรับสิ่งของไว้ในค่ายเรามั้นตามสมควรให้ทหารอยู่รักษาค่ายนั้นแต่น้อยแห่หัวเอียนเนี่ยเห็นว่าเราตั้งค่ายประชิดเรียงใกล้เข้าไปก็ะจะยกออกมาตี และเราก็ใช้ทหารที่อยู่รักษาค่ายเรานั้นน่ะทําเป็นแตกหนีทิ้งค่ายเฉยแฮวิเอียนก็จะได้ซับสิ่งของที่เราทิ้งไว้ให้นั้นเป็นอันมากก็จะกําเริบใจจะยกตีรุ่งเข้ามาและเรากินยกฐานออกตีล้อมวงส ก, กัดไว้ก็จะจับตัวแฮวิเอียนได้โดยง่ายอันกลมสุดนี้ชื่อว่าฮวนเช็กวิจูกีวัด นี่หัวเจิงชีแกงอธิบายโกมสุดอย่างนี้แลหละผมตงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยนะตมก็เคยใช้มาเหมือนกันที่สร้างขายฟางแล้วหนีสรางขายฟางแล้วพิ้งเอาเกิ่งไม้มาตั้งค่ายอีกค่ายหนึงแล้วหนีนี่แต่ครั้งนั้นก็ได้ใช้จ้าเตียวขับมางทีนี้นี่หัเจิงชีแกงแผนการ น, นี้ไงเนี้ยก็เห็นชอบด้วยสรางฐานไปปั้งค่ายเรียงกันไป ห่างกันเส้นหนึ่งหนึ่งค่ายเส้นหนึ่งหนึ่งค่ายแล้วก็เอาข่าวของสบียดนอาหารตามสมควรอ่าตามที่วดัดเจี้ยนว่าแหละเอาไปไว้ยังค่ายต่างๆเหล่านี้คือหวัว่าเป็นค่ายที่แท้จริงไม่ใช่มีแต่ค่ายเปล่าเปล่าขาึกจะระแวงใจสงสัยได้อะคือจะต้องลงทุนหเห็นจริง น, นั่นเองละ่ะทั้งฝ่ายแฮร์เวิร์ดหยิ่นเห็นทัางฝ่ายฮองตง สร้างค่ายเข้ามายังนั้นไม่แจ้งในกนลวงก็คิดว่าฮองตงตั้งค่ายประคิดเขามาดังนี้เนี่ยเห็นจะคิดอ่านเข้าตีเอาค่ายเราเป็นมั่นคงแหวุ๋ง ก, ก็จัดแจงฐานจะยกออกไปตีค่ายฮองตงล่ะเตียวคับเปียวคับผู้ยับเยินแล้วเตียวคับกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถืออะไรแล้ว แต่ยกครับก็ยังมีความคิดมีสติปัญญารู้จักคิดรู้จักอ่านอยู่ละแต่ก็จริงเข้าไปพูดแก่แหเอียนว่าพี่องตรงทําการทั้งนี้อ่ะใครว่าจะยกเข้าตีหักหานเอาค่ายเราก็หาไม่เต้ยครับโบนอุบายคล้ายๆกันอย่างนี้มาทีแล้วนี่เตี้ยครับพวกที่องตรงทําอย่างนี้เป็นอุบายทํากงอุบายโกงอุบายนี้เรียกว่า ฮวนเค็กอุยจูจีวะแม้นท่านจะยกออกไปรบวยห้องตรงนี้ก็จะเสียทีต้องกลอุบายเขาเป็นมั่นคงเพียบคับเข้าไปชี้แจงบอกกล่าวอย่างนี้นะมีรัฐบาลบอกกล่าวได้เสร็จเลยกนอุบายยางมีช้ชืออะไรเรียกอะไรประการใดก็พูดจ่าบอกกล่าวแต่ดังกล่าวแล้วเพียบคับเป็นผู้ตีคือพลาดแพ้มาหลายครั้ง แค่เดียวหุกอแพะแพะหองตงรบแพ้ออกไปรบเมื่อไรกอแพ้เหมือนนั้นโจหองนะ่ะเกิดจะตัดหัวเป็นสองครั้งมาแล้วนะเนี่ยเดียวครับไม่เหลือความเชื่อถือไว้ในตนได้เลยเพราะเหตุเป็นผู้แพ้กัอย่างนี้แค่หัวเหยียนนี่ไม่ฟังเลยทีเดียวอะสั้งให้แค่หัวศพคหมานพันนึงยกออกมีค่ายของตรงค่ายทางนั้น ที่มาตั้งไว้ทั้งสิ้นเนี่ยก็สู้รบแล้วก็ทําเป็นแปกพ่ายไปแปกพ่ายไปทุกค่ายไปทิ้งข่ายทิ้งข้าวของต่างๆไว้ในข่ายทำให้แฮร์วัลส์ทรงู้ก่าโจมปีนี่ได้ใช้ชนะจริงๆข้าวของต่างๆนานานในค่ายนี่ก็ยึดได้ก็มีใจกําังรบประหลามล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปแล้ว จนถึงค่ายสุดท้ายบางที่ว่าเจ๊ว่ากล่าววางการแย่ข อ, องตรงได้เนลยแฮวส่งยกถารามเข้าไปแล้วห้องตรงได้ผีก็ควบมาถือดบาบคุมฐานมาส ก, กัดแฮรวส่งเข้าไว้แฮรวส่งก็หันเข้ารบด้วยเด็เพลงเดียวเท่านั้นหองตรงผู้เฒ่าไว้เกตสิบเกณฑ์นี้ก็สามารถจับแฮร์วส่งได้สำเร็จมัดเอาตัวมาค่าย ทหารทา้งปวงของนายหัวซงก็แตกกระจัดกระจายกลับไปเอาเมียความทั้งสิ้นนี้ไปรายงานแก่แฮว์หัวเอียนให้ทราบแฮวหัวเอียนได้แจ้งดังนั้นก็จึงให้ฐานออกไปร้องบอกแกฮองตงว่าเวราวานเนี่ยเดี๋วาวานเนี่ยเราจับตัวตันเซ็กทหารของท่านได้และมาบับ น, นี้ท่านจับตัวแฮว์หัวซงได้ การสูความของเราก็เรียกว่าเสมอกันอยู่ทั้งสองฝ่ายยังหาได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนแต่กันมามท่านจนทรงตัวแฮวรวิส่งมาให้เราเราก็จะคืนตันเซ็กไปให้ท่านมีมีการเจราจาแลกเปลี่ยนเฉรยกันขึ้นละ่ะห้องตรงเด็กฝรั่งก็จึงตอบว่าที่ธันว่านี้ก็ชอบอยู่แล้วเพราพรุนนี้ให้แฮวิเอียนพาตันเซ็กออกมาเถอะเราจะพาตัว แฮหัวทรงออกไปหน้าค่ายและอย่าให้ใส่เกาะอย่าให้ถืออาวุธไยกันทั้งสองข้างแหละนี่้องตงตะโกนบอกไปอย่างนี้ทหารของแฮวิเอนก่อ